บัดนี้จักได้แสดงทำบกักรถาสื่อต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอข้อที่หไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกลพระพุทธภาษิต ท, ทุปปะพชังทุระพิระมังทุราวาสาขราทุ ข, ขา ทุกโสมาณสังวาสโสทุกขานุปติตัดทัคูตัดสมาณจัทคูศีญาณจะทุกขานุปติโตศียาแปลว่าการบวชเป็นของยากความยินดีในการบวชเป็นของยากเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุก์การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันเป็นทุก ผู้เดินทางไกลถูกทุ ก, กติดตามเพราะฉะนั้นไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกลไม่พึงเป็นผู้ถูกทุกติดตามตนนาท่านอธิบายว่าการบวชที่ว่าเป็นของยากเพราะต้องอาศัยความเดี่ยวในการตัดสินใจต้องสะละเครือญาติหรือปิยชนมีบิดา มารดาบุตรภรรยาเป็นต้นต้องสละกองโภคะและความสะดวกสบายอย่างคารวาะโดยสิ้นเชิงเมื่อบวชแล้วการที่จะยินดีในการบวชก็เป็นของยากเพราะภาวะแห่งผู้บวชไม่เหมือนความเป็นอยู่อย่างคฤหัสต้องการของร้อนก็ได้ของเย็นต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนที่นอนปราชจากฟูกอัอนอ่อนนุ่ม อาหารก็ต้องฉันในเวลาอันจำกัดคือเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นและต้องฉันตามที่บินธบาตได้จะมาเลือกไม่ได้ต้องเว้นขาดจากความเกี่ยวข้องด้วยสตรีเพศในทางรักใคร่สเสน่หาต้องอยู่ในกฎข้อบังคับอระเบียบ ว, วินัยมากมายหลายร้อยข้อเป็นต้นเหล่านี้ทำให้ผู้บวชรู้สึกอึดอัดเป็นการยากที่จะให้เกิดความพอใจในการบวช แต่ข้อปฏิบัติและกฎเกณฑ์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้มุ่งขัดเกลากิเลสให้สิ้นไปผู้มุ่งต่อพระนิพพานท่านเหล่านั้นย่อมเกิดความพอใจในบนรรพชาได้ง่ายอยู่อย่างรู้สึกปลอดโปร่งบางท่านบวชในเมื่อยังไม่เคยผ่านความสุขทางโลกมาเลยเมื่อถึงวัยอันสมควรคือวัยหนุ่มความคิดฝันถึงความสุขทางโลก คือความสุขจากเพศตรงข้ามคอยเข้ามารบกวนกายและใจอยู่เสมอเห็นชายหนุ่มรุ่นเดียวกันเ อ, อิบอิ่มพังพร้อมอยู่ด้วยกราร ม, มคุณทั้ง5้าก็ให้หวนคิดถึงตนที่ต้องอดทนประพฤติประมจรจรันในวัยที่ยังหนุ่มเช่นนั้นก็คิดฝันอยากสึกออกไปบริโภคกราร ม, มคุณเช่นชายหนุ่มอื่นๆบ้างเห็นสมณะเพศเป็นชีวิตที่อึดอัดขัดเคือง เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความยินดีในการบวชเป็นของยากยิ่งบางท่านเคยผ่านความสุขทางโลกมาแล้วพอสมควรคิดว่าเมื่อบวชคงอยู่ได้โดยสงบสุขไม่มีสิ่งใดรบกวนแต่ความสุขเป็นสิ่งหวานใจทำให้ระลึกถึงอยู่เนืองๆภาวะแห่งผู้บวชไม่อาจได้รับสุขเช่นนั้นได้การหวนรลึกถึงความสุขเก่าๆ เ, เป็นความทรมานใจอย่างหนึ่งเพราะคนที่หวน ถึงความสุขเก่านั้นก็คือคนที่กำลังขาดความสุขในปัจจุบันเมื่อขาดความสุขในปัจจุบันหวนถึงความสุขเก่าอยู่เนืองๆและไม่มีความสุขอย่างอื่นมาแทนความอึดอัดกระวนกระวายก็เกิดขึ้นบางท่านไม่มีปัญหาดังกล่าวมาแต่มีความขับแคนใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่เช่นเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการปกครอง ในอาวาที่อยู่การขัดแย้งกันในหมู่เพื่อนร่วมพรมอาจารย์เป็นต้นก็ไม่อาจยินดีในการบวชได้รวมความว่าอุปสรรคในการบวชและความไม่ยินดีในการบวชนั้นมีมากซึ่งแต่ละบุคคลมีปัญหาไม่เหมือนกันข้อว่าเรือนที่คลองไม่ดีเป็นทุกนั้นท่านอธิบายว่าการครองเรือนโดยปกติเป็นเรื่องยากอยู่แล้ว ลำบากด้วยการทำรมาหากินประกอบอาชีพเพื่อให้ได้ทรัพยาพอเลี้ยงตนบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขต้องมีที่ดินบ้านเรือนเป็นที่อาศัยเป็นหลักแหล่งพระอาตกรทาจารย์ท่านพรนนาไว้ว่าผู้ครองเรือนต้องนำพาต่อราชกิจของพระราชาต้องรับใช้อิสระชนวงเล็บคือผู้เป็นใหญ่เหนือตน ผู้ครองเรือนต้องสงเคราะห์ชนข้างเคียงและสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติ ธ, ธรรมแม้เมื่อเป็นอย่างนี้การคลองเรือนก็เต็มได้โดยยากคือให้เต็มความปรารถนาได้โดยยากเหมือนหม้อที่ทะลุและเหมือนมหาสมุทรเพราะฉะนั้นเรือนที่ปกครองไม่ดีจึงให้เกิดทุกข์ อธิบายตามแนวของพระอธกถาจารย์ว่าผู้ครองเรือนต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งถวายพระราชาเป็นราชพรีวงว็บได้แก่ภาษีอากรในสมัยนี้มีชีวิตยอยู่ในภายใต้กฎข้อบังคับของพระราชาเขาต้องการอย่างไรต้องทำอย่างนั้นไม่เป็นอิสระแก่ตนนอกจากนี้ยังต้องเอาใจ กิสละชนคือผู้เป็นใหญ่เหนือตนเช่นเสนาบดีมหาอมาตย์หรือนายจ้างของตนมีคนที่ต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์มากมายหาได้เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยพอใช้เพราะมีทางออกมากเหมือนหม้อทะลุตักน้ำใส่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มพร่องอยู่เสมอภศาษศาสดาจจงตรัสว่าอูโนโลโกโลกพร่องอยู่เป็นนิดตันหาทาโศ จึงต้องเป็นาธาตุของตันหาความทุกข์ของการคลองเรือนนั้นภาวนาไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบสิน้นผู้คลองเรือนย่อมเห็นอยู่ด้วยตนเองแล้วชีวิตของผู้คลองเรือนต่างชนิดต่างรสผู้คลองเรือนยิ่งจนมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นความทุกข์จากความยากจนนั้นคนมั่งมีไม่อาจเข้าใจได้หรือไม่ยอมเข้าใจก็มี ความทุกข์ใดๆก็ตามที่จะให้รู้รสมันอย่างทราบซึ่งนั้นต้องเกิดแก่ตนเองคนที่ไม่มีข้าวจะกินไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่มีคนอยากคบหาสมาคมไปที่ไหนก็มีแต่คนมองด้วยความเหยียดหยามก็คือคนจนนั่นเองความจนเป็นศัตรูอันร้ายแรงของความสุขในชีวิตโดยเฉพาะชีวิตของคนในเมืองใหญ่เมืองหลวง การคลองเรือนไม่ดีนั้นคือผู้ครองเรือนเกียรติคราบหนึ่งผู้ครองเรือนไม่ปรองดองกันหนึ่งสามีภรรยาไม่เข้าใจกันทะเลาะกันอยู่เนืองๆหนึ่ ง, งใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุ ร, ร่ายหนึ่งไม่หาของที่หายไปไม่รู้จักบุรณะซ่อมแซมของที่สัมรุนหนึ่งมีความเป็นอยู่เติบเกินตัวหรือฐานะของตัวจมไม่ลงหนึ่งหมกมุ่นในอาบายยมุกหนึ่ง ลักษณะดังกล่าวมานี้เป็นลักษณะการครองเรือนไม่ดีของพ่อบ้านแม่เรือนรังแต่จะนำความทุกมาให้ทำการครองเรือนให้ล่มจมข้อว่าการอยู่ร่วมด้วยคนเสมอกันเป็นทุกข์นั้นพระอัคกตาจารย์ท่านอธิบายว่าจริงอยู่ขรารือหัดแม้จะเสมอกันโดยชาติโดยตระกูลและโพคะหรือบรรพชิตเสมอกันโดยคุณทั้งหลายมีศีลอาระ พาหุสัจจะเป็นต้นก็ตามแต่เมื่อยังทะเลาะกันอยู่ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่เสมอกันการอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นเป็นทุกข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจคําอธิบายของพระอัฏฐกถาจารย์เพราะพระบาลีบ่งว่าทุกโขสมานะสังวาโสโอการอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันเป็นความทุกข์ แต่ในยะแห่งอัตถกถาอธิบายไปว่าคนที่ยังทะเลาะกันอยู่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เสมอกันการอยู่ร่วมกับผู้ไม่เสมอกันนั้นเป็นความทุกข์ดูแย้งกับข้อความในพระคาถาพุทธภาสิตอยู่พระอัตถกาถาจารย์มุ่งอธิบายให้เห็นความแตกแยกทางความคิดเห็นทำนองว่าแม้จะเสมอกันโดยชาติโดยตระกูลหรือสาหรับบรรพชิตเสมอกันโดยศีลอ า, ารยเป็นต้น แต่เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันยังทะเลาะกันอยู่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เสมอกันข้าพเจ้าเห็นว่าพระพุทธภาสิทธินี้มุ่งแสดงให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกับคนเสมอกันนั้นเป็นทุกข์เนื่องจากความแข่งแย่งแข่งดีกันการชิงดีชิงเด่นกันการไม่ยอมให้กันดังคําไทยว่าเสือสองตัวอยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้คนจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขก็โดยที่คนหนึ่งเล็กคนหนึ่งใหญ่คือยอมแพ้ หรือยอมให้เสียคนหนึ่งถ้าใหญ่ด้วยกันตั้งแต่สองขึ้นไปก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะสัตว์โลกชนิดใดที่จะมีอาหางการหรืออัศมิมาณนะเสมอมนุษย์นั้นเห็นจะไม่มีมนุษย์ที่มีปัจจัยสี่พร้อมแล้วไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและมีการบริโภคการบริบูรณ์นั่นแหละยิ่งแข่งขัน กันแบ่งอัตราให้ใหญ่ขึ้นแข่งรัศมีกันว่าใครจะใหญ่กว่าใครใครจะแน่กว่าใครจะต้องทำลายหรือประหารกันให้ย่อยยับไปข้างหนึ่งหรืออย่างน้อยก็ให้ฝ่ายหนึ่งยอมรับในความยิ่งใหญ่ของตนต้องด้อยไปข้างหนึ่งจึงจะอยู่ร่วมกันได้ต่อไปในวัดหนึ่งมีสมภารเจ้าวัดสองรูปไม่ได้แม้แต่สุนัขในวัดก็มีตัวโจกอยู่เพียงตัวเดียว ถ้าตัวไหนเด่นขึ้นมาตีตนเสมอก็ต้องฟัดกันจนแพ้ไปข้างหนึ่งแต่ธรรมดามีอยู่ว่าตัวที่หนุ่มกว่าย่อมชนะและครองความเป็นใหญ่ต่อไปนักเลงโตสองคนอยู่ตำบลเดียวกันไม่ได้ต้องฟาดกันจนยอมแพ้ไปข้างหนึ่งจึงจะอยู่กันต่อไปได้นี่คือหลักธรรมดาของโลกที่เป็นอย่างนี้มานานแล้วกำลังเป็นอยู่และจะเป็นต่อไปในครอบครัว วงเล็บย่อให้เข้ามาในหน่วยเล็กที่สุดมีหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียวมีสองคนเมื่อไหร่ก็ยุ่งแม้คนที่มีเมียน้อยคือมีเมียตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันถ้าไม่ยอมกันทะเลาะกันทุกวันถ้ายอมเสียคนหนึ่งจึงจะอยู่ร่วมกันได้สองครอบครัวอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจึงมักอยู่กันไม่ยืดต้องแยกกันออกไป ยออให้เล็กลงอีกสามีภรรยาสองคนเท่านั้นอยู่ด้วยกันถ้าเสมอกันไม่ยอมกันก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขถ้าท่านเห็นครอบครัวใดอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขขอให้ท่านแน่ใจว่าไม่คนใดก็คนหนึ่งเป็นผู้ยอมแพ้และเมื่อได้ยอมแพ้แล้วก็ต้องยอมแพ้ตลอดไปหรือตลอดชีวิตแข่งดีขึ้นมาเมื่อไหร่ก็แตกหักเมื่อนั้น พระดารัสของพระาศาสดาที่ว่าการอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันเป็นความทุกนั้นน่าจะมีความหมายตรงตัวทีเดียวข้อว่าผู้เดินทางไกลถูกทุกติดตามนั้นความว่าผู้เดินทางไกลกันดารคือวัตตะได้แก่การเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังเดินทางไกลในสังสารวัฏอยู่ตราบใดย่อมถูกทุกติดตามอยู่ตราบนั้น ทุกจะหยุดติดตามต่อเมื่อตัดวัตะได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเดินทางไกลคือไม่ควรวนเวียนอยู่ในวัตะนานควรรีบเดินทางให้ถึงจุดมุ่งหมายคือพระนิพพานโดยเร็วเมื่อถึงพระนิพพานแล้วทุกก็หยุดติดตามเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งทุกเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเบืองสาวัตถีทรงปราบรพิสุ ชาววัดชีรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้พิกษุรูปนั้นเคยเป็นโอรสแห่งเจ้าฤทธิชวีแคว้นวัดชีอันมีเวสาลีเป็นนครหลวงออกบวช ด, ด้วยศรัทธาพำนักอยู่ณนะราวป่าใกล้เมืองเวสาลีคราวหนึ่งมีการเล่นมหัศพตลอดคืนในเมืองเวสาลีพิกษุนั้นได้ยินเสียงประโคมดนตรีกึกก้องอยู่ ระ ล, ลึกถึงตนที่โดดเดี่ยวอยู่ในป่าแล้วรำพึงว่าเราผู้เดียวเท่านั้นอยู่ในป่าเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในลาตรีเช่นนี้ใครเล่าจะด้อยกว่าใครหรือใครเล่าจะด้อยกว่าเราอ น, นิจจาเจ้าชายรัชทายาทแห่งเวสาลีผู้สละราชสมบัติอันจะมาถึงเข้าตามวรรคของตนแล้วออกบวชเมื่อเจ้าชายอื่นๆผู้มีวัยเสมอกันกาลังรื่นเริง ด้วยมหรสศพในวันนักขัตลเลิกอันเป็นที่เบ่งบานแห่งดอกกัวมุด ต, ตัวท่านเองต้องมาโดดเดี่ยวอยู่ในป่าเดินจงกรมในที่จงกรมยาวหกสิบศอกเห็นพระจันทร์เต็มดวงเด่นอยู่กลางท้องฟ้ายืนพิงแผ่นกระดานณนะปลายสุดแห่งที่จงกรมมองดูอัตภาพแห่งตนที่ปราศจากภาพโภคและเครื่องอลังการรู้สึกตนว่าเสมือนตนไม้อันไร้ค่าที่เขาทิ้งไว้ในป่ารำพึงอยู่ว่า ในลาตรีเช่นนี้มีใครน้อที่ด้อยกว่าเราแม้เป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นแต่เมื่อถูกความไม่ยินดีบีบคั้นก็อดคิดเช่นนั้นไม่ได้เทวดาผู้สถิตอยู่ณนะราวป่านั้นประสงค์จะให้กำลังใจแก่ภิกษุนั้นและให้สังเวชในความคิดเช่นนั้นของท่านถึงกล่าวว่าท่านผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือน่อนไม้ที่เขาทิ้งแล้วก็จริง แต่ชนเป็นอันมากกระยิ่มต่อท่านงเล็บคือนิยมชมชื่นในตัวท่านเหมือนสัตว์นรกกระหยิ่มต่อผู้อยู่สวรรค์ฉะนั้นวันรุ่งขึ้นภิกษุนั้นเข้าเฝ้าพระศ า, าสดาพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะให้เธอมีความสังเวชในฐานะห้าอย่างจึงตรัสพระคาถานี้ว่าการบวชเป็นของยากการยินดีในการบวชเป็นของยากเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกข์ การอยู่ร่วมกันกับคนเสมอกันเป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลถูกทุกติดตามเพราะฉะนั้นไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรเป็นผู้ถูกทุกติดตามมีนัยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นโดยลำดับเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุนั้นเป็นผู้เบื่อหน่ายในทุกข์ที่พระพุทธองค์ตรัสในฐานะห้าอย่างทาลายสังโยชนิปรการบรรลุอรหัตผลแล้ว อันนี้ก็มีขอคิดดีๆเยอะเลยเนี่ยอย่าเดินทางไกลท่านว่าสรุปเอาง่ายๆเดินทางไกลก็คือวัฏวัตตทุกเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ตัดให้สั้นลงก็ทุกยาวไม่มีที่สุสดๆสมกับที่ท่านว่าวัฏตตทุกจริจรงๆหรือวั ต, ตะสงสารภาษาไทยวนอยู่ในวั ต, ตะก็น่าสงสารนะจึงเรียกว่าวัฏตตสงสารเนี่ยก็คือมันทุกเ่ ความยินดีในความดีเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกัน เ, เพราะอำนาจของกิเลสของตัณหามันเป็นสิ่งล่อใจให้เกิดความสุขอาจจะที่ท่านว่าความสุขนิดหน่อยแต่มันก็ล่อใจนี่มันก็เลยมีความยินดีน้อยอการที่ท่านชี้ทางไปสู่ความสุขที่เป็นอวะตะัตตเป็นนิรันด์มันเป็นสิ่งที่ยาก เหมือนกับที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบเหมือนการทวนกระแสจริงๆนะถ้าลอยถาดก็ถาดทวนกรนะแสท่านใจก็ว่าถาดถาดทองคำด้วยนะถาดทองคําในที่นี้ก็คือทางดําเนินที่ดีเนะี่ยทำและวินัยที่พระองค์ทรงตัดไปดีแล้วนั้นเสมือนเป็นถาดทองคำนะํำแต่ว่าผู้ที่ มองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงก็ไปไม่ไหวทวนไปไม่ไหวก็เดี๋ยวไหลไปตามกระแสกระแสของตัณหาทันึงไี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากนการที่จะดำรงดรงอยู่ในพรหมจรรย์เนี่ยหรือในการปฏิบัตินี่มันเป็นเรื่องยากยความยินดีในกามาคุณเป็นเป็นของที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไหลไปได้ง่าย แต่นนในทางพระท่านเีว่าแม้จะเคยผ่านโลกมาแล้วก็ตามความยินดีมันยังมาเกาะกวนทางาภาษาพระทานว่าเมถุนสังโยกการระลึกถึงเรื่องเก่าการระลึกถึงบุคคลเก่าๆตามระลึกถึงเรื่องเคยสุกเก่าๆอย่างนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของตัณหาที่มัน คอยก่อกวนนะถ้าเราทวนไม่ดีไหว้ไม่เก่งสุดท้ายมันก็ไหลไปตามมันอีกเหมือนกันนี่าเป็นสิ่งที่ยากเจ็ดผู้ได้รับการบูชาในที่ทุกแห่งพระพุทธภาษิตสัทโธสีเลนสัมปันโนยะโสโพคะสมปิโตยังยังประเทสังพระชติ ตัดเ ท, ด ท, ทะวะปูชิตโตแปลว่าผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลมียศและพรั่งพร้อมด้วยโภคะไปที่ใดก็ได้รับการบูชาในที่นั้นศรัทธาแปลว่าความเชื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านหมายเอาความเชื่อที่มีเหตุผลเช่นเชื่อกำรรหรือผลของกรรมเชื่อความที่สัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตน เชื่อพระปัญญาตัดสรุของพระพุทธเจ้าที่ใดพระพุทธองค์สอนศรัทธาไว้ ย, ย่อมทรงสอนปัญญาไว้ด้วยทุกแห่งไปลักษณะของผู้มีศรัทธาทรงแสดงไว้ว่าต้องการเห็นผู้มีศีลหนึ่งต้องการฟังธรรมของท่านผู้มีศีลหนึ่งใจปราชจากความตรณีหนึ่งอันหนึ่งผู้มีศรัทธาจะประสบบุญมากด้วยเหตุสามอย่างคือ 1. เพราะมีศรัทธา 2. เพราะประกอบพร้อมด้วยทยธรรม 3. เพราะประกอบด้วยทักกิเนยะบุคคลรวมความว่าบุคคลจะได้บุญมากก็เพราะมีศรัทธามีทยธรรมที่จะให้และมีทักกิเนยะบุคคลคือผู้ที่มีศีลควรรับทักกินาคือของทำรรบุญข้อที่ว่าสมบูรณ์ด้วยศีล ความว่าสมบูรณ์ด้วยศีลทั้งที่เป็นโลกีและโลกุตระคือที่เป็นโลกีคือศีลของปุถุชนศีลที่เป็นโลกุตระคือศีลของอริยชนหรือของพระอริยะเจ้าเรียกอ ย, อย่างหนึ่งว่าอริยกันตศีลมีลักษณะไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอันตัญหาและทิฏฐิไม่ครอบงำอันหนึ่งผู้สมบูรณ์ด้วยปาติโมกสังวรศีนรี ยสังบรศีลอาชีวปริสุทธิศีลและปัจจัยสันนิสิตศีลเรียกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยศีลปาติโมกขสังบรสัารวมในศีลปาติโมก ค, คือวินัยอันมีทั้งข้อห้ามและข้ออนุญาตอินศียสังวรศีลคือการสัารวมอินศีหกได้แก่การระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดี หรือยินร้ายครอบงำได้เวลาเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นอาชีวะปริสุทธิ์ศีลคือมีการเลี้ยงชีพหมดจดเว้นวิชาชีพอย่างเด็ดขาดปัจจัยสันนิสิตศีลได้แก่ความระวังเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยสีก่อนบริโภคกำลังบริโภคหรือหลังบริโภคแล้วข้อว่าผู้มียศ ความว่ามียศคือความเป็นใหญ่มียศคือบริวารและมียศคือขุนความดีเป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไปข้อว่าพรั่งพร้อมด้วยโภคะนั้นความว่าเป็นผู้มีโพคะสองประการคือรั์ภายนอกมีวัวควายช้างมา้าที่ดินบ้านเรือนเป็นต้นหนึ่งรั์ภายในเรียกอ ร, ริยรั์มีศรัทธาเป็นต้นมีปัญญาเป็นที่สุดหนึ่ง บุคคลผู้ประกอบด้วยคุณลักษณะดังกล่าวมาไปณที่ใดย่อมได้รับการต้อนรับการเคารพบูชาในที่นั้นทุกแห่งไปเรื่องนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวนารามเมืองสาวถีทรงปรารบจิตตะคหะบดีมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องนี้มีพิสดารแล้วในภาละ ว, ะะวัควระวนาหัวเล็บโปรดดูทางแห่งความดีเล่มหนึ่งหน้า 543ถึงห้าเจความดำริของคนผ่านแม้พระคาถานี้หลวงเลบสัตโทสีเลนสัมปันโนก็มาแล้วในผานละวักนั้นเหมือนกันในที่นั้นพระอา น, นุนเถระทูลถามพระศ า, าสดาว่าสาการะเป็นอันมากมีแก่จิตตะขะบอดีนั้นเมื่อมาสู่สำนักของพระองค์เท่านั้นหรือ หรือว่าแม้ไปในที่อื่นก็ได้รับสการะอย่างนี้เหมือนกันพระศาสดาตรัสตอบว่าอานนเมื่อจิตต่าบอดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ดีไปที่อื่นก็ดีสการะย่อมเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะอุบาสกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเรื่อมใสสมบูรณ์ด้วยศีลคนอย่างนี้ไปที่ใดลาบสการะย่อมเกิดขึ้นแก่เขาณนะที่นั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า สัโทโธสีเลนะสัมปันโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอันนี้นนผมกล่าวถึงเรื่องศรัท ธ, ธานะก็คงจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วสนศรัท ธ, ธาในทางที่ดีคนี่ามาความเชื่อนี่ก็เชื่อในทางที่ถูกที่ดีนจึงชื่อว่าในศรัท ธ, ธาในทางคาสอนของพพุทธเจ้านะ ความเชื่อไปในทางที่ผิดไม่ได้จัดอยู่ในศรัทธาที่นี่เพราะศรัทธาของพระเจ้านั้นดังที่ท่านแสดงไว้จะต้องประกอบด้วยปัญญาทุกที่ทุกแห่งไปเนี่ยถ้าว่ามีศรัทธาอยู่โดดเดี่ยวก็ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่เนี่ยเหมือนกับปัญญาความรู้เหมือนกันเนี่ยปัญญาถ้าไปโดดเดี่ยวปัญญามก็มีได้หมดเนี่ยปัญญาไปทางที่ผิดมันก็มีถึงได้ว่า เป็นความเห็นที่ผิดรู้แล้วก็มีความเห็นผิดนี่รู้มีความเห็นชอบ น, นี่มันก็จะแตกต่างกั น, นอันนี้เราก็ภาวนาพอจะรู้เรื่องกัน 8. สัตตบุรุษย่อมปรากฏในที่ไกลพระพุทธภาสิทธ์พระองค์ตรัสว่าธูเรสันโตปากาเซนติหิมะวันโตวัปป ะ, ะโต สันเตะนาทิสันติรัติงกิตาตายถาสราแปลว่าสัตว์รุษทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนหิมวันตะบันพศส่วนอสัตว์รุษย่อมไม่ปรากฏแม้ในที่นี้เหมือนลูกศรที่เขายิงไปในลาตรีหงเล็บที่มืด พระอัฏกถาอจารย์พรรณนาไว้ว่าปรลาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าสัตตบุรุษพอกิเลสมีราคะเป็นต้นของท่านสงบแล้วแต่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาบุคคลผู้มีบุญอันเคยทาไวแล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยสั่งสมกุศลมูลไว้มากได้อบรมภาวนามามากว่าสัตตบุรุษ สต บ, บุรุษนั้นย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนภูเขาใหญ่คือหิมาวันตะบันพฤในวงเล็บภูเขาหิมาลัยย่อมปรากฏแก่ผู้ยืนอยู่แม้ในที่ไกลอธิบายโดยไม่ละทิ้งอัตถกถาในว่าคนดีคนมีปัญญามีกุศลกรรมอันเคยสั่งสมไว้แล้วมากย่อมมีกระยาณเกียรติฟุ้งขจรไปทั้งสีทิศฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและถวนลม ส่วนคนพานพระอาจารย์ท่านอธิบายต่อไปมีกรรมชั่วอันหนักในปัจจุบันหมดหวังต่อความสุขในโลกหน้าเป็นผู้เห็นแก่อามิตรบวชเพื่อการเลี้ยงชีพยอย่างเดียวชื่อว่าอัสัตตบรุษอัสัตตบรุษนั้นย่อมไม่ปรากฏแม้ไหนที่ใกล้รวมความว่าคนชั่วแม้อยู่ใกล้ก็ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมไม่มีกัลยาณเกียรต ฟุ้งขจรไปเขาเป็นเหมือนลูกศรที่เขายิงไปในราตรีที่มืดไม่อาจมองเห็นได้เกียตรติของคนดีนั้นแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนละลึกถึงในสมัยที่มีคนดีเช่นนี้ก็มีคนชั่วอยู่มากเหมือนกันแต่ประวัติของคนชั่วไม่มีใครเอามาเรียนคงหายไปกับชีวิตของเขา เมื่อเราอ่านประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สมัยโบราณสมัยกลางหรือสมัยปัจจุบันเราจะได้เห็นตัวอย่างชีวิตของคนดีมากมายซึ่งได้สร้างความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้ประเทศชาติของเขาเราไม่ลืมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระนารายมหาราชพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชและพระพิยะมหาราชเป็นอาทิ ที่เราจำพระนามและพระราชประวัติของท่านเหล่านี้ก็เพราะท่านมีคุณความดีแก่ประเทศชาติมากพระเกียรติของพระองค์ท่านนั้นยังนํำรงอยู่แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานแล้วก็ตามเมื่อเราอ่านประวัติบุคคลสำคัญหรือบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ทางวิชาการเราจะเห็นว่าท่านเหล่านั้นได้กระทำสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติ มากมายโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากส่วนตัวเราไม่ลืมกาลิเลโอชาวอิตาเลียนรวลบพศงเรียบพ็ถึงสองพึงร้อผู้ได้พบหลักการคำนวณสุริยุปราคาจันทรุปราคาผู้ค้นพบแรงดึงดูดของโลกซึ่งเป็นผลจากการที่ได้เห็นโคมไฟแกว่ง และต่อมาทำให้เกิดความคิดสร้างเข็มทิศขึ้นมาได้ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่โลกทั้งโลกต่อมาเขาได้คิดเครื่องสูบน้ำเครื่องวัดความร้อนประรอดวัดความร้อนในอากาศวัดความร้อนในตัวคนไข้เป็นประโยชน์หลายอย่างแก่โลกมาจนบัดนี้เขาได้สร้างกล้องสองทางไกลให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังเป็นคนแรกวงเล็บเรื่องนี้ตามประวัติว่า ดิเปอร์ซีชาวฮอลันดาได้ค้นพบมาก่อนแต่ใช้ได้ผลเพียงเล็กน้อยไม่ได้ประโยชน์มากกว่าในตาเปล่าเท่าไหรนักใช้สองดูดาวก็ได้เขาได้ค้นพบว่าดวงจันทร์นั้นไม่มีแสงในตัวเองเขารู้ด้วยกล้องโทรทัศน์ของเขาว่าในดวงจันทร์มีห่วงเหวและภูเขาเขาได้พบว่าโลกของเรานี่หมุนได้และหมุนไปรอบดวงอาทิตย์เราไม่ลืมปาสเตอร์ ชาวฝรั่งเศสวงเล็บปศสองพัสถึง 2,438 ผู้ได้ทำประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้แก่โลกด้วยการค้นพบทฤษฎีหมายถึงการอุ่นของบริโภคด้วยความร้อน55องศาเซนติเกรดแล้วจะเก็บรักษาไว้ได้นานไม่บูดเน่าและไม่เสียรถ เราอ่างุนดีอาหารบางชนิดเช่นนมสดและอาหารกระป๋องที่ชาวโลกบริโภคอยู่ในปัจจุบันล้วนได้ผ่านกรรมวิธีมาแล้วทั้งสิ้นความจริงตามชื่อหรือตามตัวก็แปลว่าทำอย่างที่พาสเตอร์ทำนั่นเองเป็นการให้เกียรติแก่พาสเตอร์หรือพาสเตอริรเซ ส, สันพาสเตอร์นี่เองผู้ค้นพบว่าโรคทั้งหลายเกิดจากเชื้อที่เรียกว่า Microbes หรือ Micro o r g a n i s m หรือพวกจุลินทรีย์เมื่อโรคเกิดขึ้นหน้าที่ของแพทย์คือฆ่าจุลินทรีย์เสียปัสเตอร์เป็นผู้บอกให้ฆ่าจุลินทรีย์ที่มือแพทย์หงเล็บในขณะทำการผ่าตัดคนไข้ที่เครื่องมือในการผ่าตัดที่สำรีที่ผ้าพันแผลและในห้องผ่าตัดซึ่งแพทย์ทั่วโลกได้รับมาใช้ยอยู่จนทุกวันนี้ วิธีการฉีดยาป้องกันโรคก็ได้มาจากพัาสเตอร์ยาฉีดช่วยคนที่ถูกงู ก, กัดและถูกสุนัขบ้ากัดก็สำเร็จมาจากความพยายามอันยิ่งใหญ่และเสี่ยงภัยอย่างยิ่งของพัาสเตอร์เราไม่ลืมฟาราเดย์ชาวอังกฤษพศ2334ิถึง2 4 1พผู้สร้างความก้าวหน้าทางวิชาเคมีอย่างมากมายและสร้างแรงไฟฟ้าให้เป็นพลังใช้งานช่วยเหลือมนุษย์ได้ เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่โลกมนุษย์ในด้านอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นผู้ให้พลังแก่โลกวงเล็บส่วนการนำไฟฟ้ามาให้แสงสว่างแก่มนุษย์นั้นเอดิสันนักค้นคว้าชาวอเมริกันได้นำเอาหลักการของฟาราเดย์มาค้นคว้าต่อและประสบผลสำเร็จทำให้โลกสว่างสวัยอยู่เวลานี้เราไม่ลืมไนติงเกลพศ 2,300 67-2,453 ชาวอังกฤษผู้ก่อกําเนิดพยาบาลเราไม่ลืมมาดามคูรี่พศส 2,410-2,477 สตรีผู้ยิ่งใหญ่ในโลกวิชาการผู้ค้นพบเลเดียมรักษาโรคมะเร็งในด้านการประพันธ์หนังสืออันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เป็นอันมากเราไม่ลืมเช็กสเปียเกิดเต ชาวเยอรมันยอสเอเรสชาวอังกฤษเฮเลนเกลเลอร์ hey Len, eller, สตรีชาวอเมริกันเป็นอาทินักประพันธ์ไทยเราไม่ลืมล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชการที่6แห่งบรมราช ก, กรีคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเราไม่ลืมนอมอสอหรือกรมหมืน่นพิทยารงกรสุนทรผู้เป็นต้นท่านผู้เอ่ยพระนามและนา ม, มาทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของท่านผู้ ได้ประกอบคุณงามความดีไว้เป็นมรดกของชาติและของมนุษยชาติทั้งมวลท่านเหล่านี้เป็นผู้ปรากฏในที่ไกลเหมือนขุนเขาหิมมวันและยิ่งกว่าขุนเขาหิมมวันซะอีกเพราะผู้ที่อยู่คนละทวีปยังรู้ยังเห็นมีคนเป็นอันมากที่เกิดมาเพื่อกินนอนเสพเมตุนแล้วก็ตายไปอย่างไม่มีความหมายอะไรแก่โลกเลยนอกจากไม่ทาประโยชน์อะไรแก่สังคมแล้ว ยังเบียดเบียนสังคมให้เดือดร้อนเชอีกด้วยเรื่องนี้พระศาสดาสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงปรารภทิดาของอนาถบินิกะเศรษฐีชื่อจุะสุพทามีเรื่องย่อ ด, ดังนี้นางจุลสุพทาเป็นทิดาของอนาถบินิกะเศรษฐีเมืองสาวัตถีวันหนึ่งอุคคเศธีแห่งอุคขนคร สหายของอนาถบินิกะมากลุ่งสาวถีมาเพื่อเยี่ยมเยียนอนาถบินิกะมอบหมายหน้าที่ต้อนรับให้จุรสุภัธาตลอดเวลาที่อุคคเศรษฐีพักอยู่ที่เรือนรับรองของอนาถบินิกะนั้นจุรสุภัธาได้ต้อนรับบริการอย่างดีประกอบกับนางมีอาจารสมบัติน่ารักอุคคเศรษฐีพอใจมาก ต้องการสู่ขอนางให้แก่บุตรของตนบังเอิญระลึกขึ้นมาได้ซึ่งสัญญาที่เคยให้กันไว้กับอนาถบินิกะเศรษฐีสมัยยังหนุ่มเมื่อเรียนวิชาในสำนักอาจารย์เดียวกันว่าถ้าคนหนึ่งมีทิดาคนหนึ่งมีบุตรก็จะให้แต่งงานกันอุค่าเศรษฐีจึงถือโอกาสนี้สู่ขอจุระสุภธาให้บุตรของตนแต่เนื่องจากอุคาเศรษฐี ยังไม่นับถือพระพุทธศาสนายังเลื่อมใสเดียรถธีนิคนอยู่หวงเลบเรียกตามภาษาในคำภีว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอนาถาบินิกะจึงลังเลว่าจะให้ลูกสาวของตนแก่บุตรของอุคเสษถีดีหรือไม่เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงเหล่งพยญานทราบอุปนิสัยของอุคเสถีแล้วจึงทรงอนุญาตให้อนาถาบินิกะ ยกบุตรีของตนให้แก่บุตรของอุคเศษฐีได้เรื่องโอวาทการส่งตัวเจ้าสาวพึงทราบโดยนยัยเดียวกับเรื่องของนางวิสาขาอันท่านรจนาไปแล้วในปุพภะวรควานานาวงเล็บทางแห่งความดีเล่มหนึ่งหน้า3 8 9ร้อถึงอุคเศษฐีเลื่อมใสพวก เปยคือนิค น, นิกายนิคำพรในฐานะเป็นอรหันต์ของตนวันหนึ่งได้ชวนพวกเปอยมาบริโภคอาหารที่บ้านให้คนไปตามนางจุลสุพัทามาไหว้แต่จุลสุพัถาไม่ยอมไปเพราะละอายขววยเขินแม้เศรษฐีจะให้คนไปตามบ่อยๆก็ไม่ยอมไปเศรษฐีโกรธคิดว่าเป็นการดูถูกท่านจึงให้คนขับไล่ออกจากบ้าน แต่โกดุมพีพี่เลี้ยง8คนของจุลสุภธาที่อนาทบิณฑกะส่งมาอยู่ด้วยได้ชำระความแล้วเห็นว่าจุลสุภธาไม่มีความผิดาคลานางวิสาขานี่จึงให้เศรษฐีถอนคําสั่งเสียเศรษฐีเมื่อหายโกรธแล้วก็ยอมแม่ผัวของจุลสุพธาได้ยินลูกสะั้ยกล่าวสรรเสริญสมณะของตนคือ ของจุลสุภทาเนืองๆก็อยากรู้ว่าสมณะของลูกสะพ้ยเป็นอย่างไรวันหนึ่งจึงถามว่าสมณะของเจ้าเป็นอย่างไรเจ้าจึงสรรเสริญสมณะเหล่านั้นนักหนาสมณะเหล่านั้นมีปกติอย่างไรมีสมาจารย์อย่างไรจุลสุภทาเมื่อจะประกาศคุณแห่งสมณะของตนมีพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นแก่แม่ผัวนั้นจึงกล่าวว่า ท่านเป็นผู้มีอินทรีย์สงบวงเล็บตาหูไม่ล็อกลักมีใจสงบเดินยืนเรียบร้อยมีจักสุทอดลงต่ำเมื่อเดินหรือยืนพูดจาพอประมาณสมณะของฉันเป็นเช่นนั้นกายกรรมของท่านสะอาดวจีกรรมของท่านไม่มัวหมองมโนกรรมของท่านหมดจดดีสมณะของฉันเป็นเช่นนั้นท่านไม่มีมนทินมีรัศมีดุดสังและมุกดา บริสุทธิ์ทั้งภายในภายนอกเต็มแล้วด้วยธรรมอันหมดจดทั้งหลายสมณะของฉันเป็นเช่นนั้นแม่ผัวได้ฟังคําพรรณนาคุณแห่งสมนะของนางจุลสุภถาแล้วอยากจะเห็นสมณะเช่นนั้นบ้างขอร้องให้นางจุลสุภฐานิมนต์มาให้ดูนางจุลสุภถารับคําแม่ผัวแล้วยืนอยู่บนปราศาสต์ชั้นบนพินหน้าไปทางเชตวันาราม อธิษฐานใจอาราธนาพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์สาวกของพระองค์เพื่อเสวยพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นพระาศาสดาทรงรับอาราธนาของนางด้วยพระเจโตปริยญาณยวางเล็บสมัยนี้ว่าโทรจิตแล้ววันนั้นเองอนาถบินทิกะเศรษฐีสดับธรรมกถาแล้วทูลอาราธนาพระพุทธองค์เพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นแต่พระาศาสดาตรัสว่า ได้รับอาราธนาเสียแล้วเมื่อเศรษฐีสงสัยและทูลถามว่าตนเป็นผู้มาก่อนผู้อื่นทั้งหมดพระองค์ทรงรับอาราธนาของใครตรัสตอบว่ารับของนางจุลสุพัทธาเศรษฐีทูลว่านางจุลสุภัทาอยู่ไกลถึงร้อยยี่สิบโยตราราธนาได้อย่างไรพระศาสดาตรัสเล่าให้เศรษฐีทราบแล้วตรัสว่าสัตว์รุษทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ไกลเป็นอาทิ มีในยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นเพราะการเสด็จไปโปรดของพระาศาสดาในครั้งนั้นอุคัเศธถีได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาถวายมหาฐานสิ้น7วันนี่ก็เกี่ยวเนื่องถึงอนาตบินติกะยกมาเป็นตัวอย่างบุคคลที่สำคัญสำคัญเนา ะ, ะก็คงหลายรายละเอียดก็คงได้ฟังแล้ว 9. นั่งคนเดียวพระพุทธภาษิตเอกาสนังเอกเสยยังเอโกจระมตันติโตเอโกธรรมยมัตตานังวนันเตระมิโตสยาแปลว่าภิกษุพึงเป็นผู้พอใจในการนั่งคนเดียวนอนคนเดียวเป็นผู้เดียวเที่ยวไปและไม่เกียจคร้าน เป็นผู้ฝึกตนและพึงเป็นผู้เยนดีในราวป่าขอยกเอาคำอธิบายของพระอัตถกถาจารย์มากล่าวก่อนท่านพรนานาไว้ว่าภิกษุไม่ละมูลกรรมฐานมูลกรรมฐานคือกรรมฐานเบื้องต้นในแก่การพิจารณาผมขนเล็บฝันหนังว่าเป็นของปฏิกูลพึงลังเกียจท่านเรียกตัดจะปัญจกกรรมฐานก็มี แปลว่ากรรมฐ า, านมีหนังเป็นที่5กรรมฐ า, านนี้อุปชายะจะให้แก่พิกษุในวันบวชทีเดียวคือในขณะบวชอยู่นั่นเองภิกษุไม่ละมูลกรรมฐ า, านแม้นั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุตั้งพันก็ชื่อว่าเป็นผู้นั่งคนเดียวในอาการอย่างนั้นแม่นอนอยู่ท่ามกลางภิกษุตั้งพันบนโลหะปราสาทตรมีเครื่องราดอันวิจิตชื่อว่านอนคนเดียวพิษุพึงเป็นเช่นนั้นคือนั่งนอนด้วยสติ อันไปในมูลกรรมฐานข้อว่าเป็นผู้เดียวไม่เกียดคร้านความว่าอาศัยกำลังแข่งของตนเลี้ยงชีพเที่ยวไปผู้เดียวในทุกอิริยาบถข้อว่าเป็นผู้ฝึกตนความว่าฝึกตนด้วยการประกอบกรรมฐานในที่ทุกแห่งมีที่พักกลางวันและที่พักกลางคืนเป็นต้นจนบรรลุมรรคผลข้อว่าพึงเป็นผู้ยินดีในราวป่า ความว่าพึงยินดีอยู่ในราวป่าอันสังัดจากเสียงทั้งหลายมีเสียงสตรีและเสียงบุุษเป็นต้นเพราะภิกษุผู้อยู่พวกพ่านเป็นปกติไม่อาจฝึกตนได้คำอธิบายของพระอุทกทาจารย์มีเพียงเท่านี้ว่าโดยหลักการเดิมภิกษุหรือสามเณรตั้งอยู่ด้วยกรรมฐานทุกิริยาบทไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนฉันพูดคือให้ทุกิริยาบทเป็นไปในกรรมฐาน โดวยอิยาบทที่เป็นกรรมฐานนั้นท่านจึงมีอินทรียสงบมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสะอาดมีจักสุทอดลงต่ำขณะเดินเพียงเท่านี้ก็เรียกร้องความเรื่มใสของมหาชนได้มากแล้วการพิจารณาผมขนเล็บฝันหนังว่าเป็นของไม่สะอาดโสโครกนั้นเป็นเครื่องบรรเทาความกำหนัดในกายเพราะความกำหนัดในกายเป็นค่าศึกของพรหมจันทร์ ความจริงความงามของคนนั้นอยู่เพียงแต่ผิวหนังเท่านั้นเองพอเจาะผิวหนังลงไปสิ่งโส โ, โรครกต่างๆก็ทะลักออกมาอันหนึง่งเมื่อผิวหนังพิการไปเช่นเป็นโรคผิวหนังบางอย่างความงามอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดก็หมดไปทันทีโดยปกติสิ่งโส โ, โรครกในกายก็เสือมออกมาจากทวารทั้ง9้าเป็นประจำอยู่แล้วคือจากตาหูจมูกปากทวารหนักทวารเบามนุษย์ จึงต้องมีภาระชมาะร่างกายอยู่เสมอนอกจากทวารทั้ง9้าแล้วเหงื่อยังซึมออกมาจากรูขนทั่วร่างกายอีกด้วยนะ้ำเหงื่อนั้นเมื่อออกมาผสมกับสิ่งปฏิกูลที่เกาะอยู่ตามผิวกายทั่วไปก็มีกลิน่นสาบเมื่อไปเนื่องด้วยเสื้อผ้าก็พลอยทำให้เสื้อผ้านั้นเหม็นสาบไปด้วยเสื้อผ้าอาพรนั้นอันที่จริงเมื่อมองดีๆก็จะเห็นว่า มันคือเครื่องห่อหุ้มสิ่งโสโครกนั่นเองจึงต้องเปลืองออกซักทุกวันร่างกายเป็นของเหม็นโดยสภาพจึงต้องอาศัยเครื่องภายนอกช่วยผัดพอกลูบไรคือนำเครื่องหอมมาผัดพอกลูบไรให้รู้สึกว่าหอมแต่ก็ทนอยู่ได้ไม่นานเมื่อความเหม็นในร่างกายออกมาก็ต้องสะล้างและผัดพอกลูปไร้กันใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้จนตายไป เมื่อตายแล้วกายนี้ก็เหม็นยิ่งนักเป็นที่สะอิดสะเอียนทั่วไปภิกษุผู้มีสติเป็นไปในกรรมฐานทุกิริยาบทอยู่เช่นนี้เป็นผู้คลายกำหนัดในกามเพื่อนคือตันหาตันหาทุติโยปุริโสไม่อาจเข้าใกล้ได้จึงชื่อว่าเป็นผู้นั่งคนเดียวนอนคนเดียวยืนคนเดียวหรือเดินคนเดียวที่ยวไป เที่ยวไปอย่างผู้ไม่เกียจคร้านพ่อมีงานอยู่เป็นประจำงานนั้นคือกรรมฐานนั่นเองเป็นงานหน้าที่โดยตรงของภิกษุสามเณร เ, เป็นผู้ฝึกตนทรมานตนด้วยการฝึกอินทรีย์มีตาหูเป็นต้นให้สงบที่ฝึกนั้นท่านแสดงว่าต้องเป็นที่สงบมีแนวป่าเป็นต้นเพราะที่พลุกพล่านด้วยคนมากไม่อาจให้กรรมฐานดาเนินไปโดยสะดวกได้ เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารบพระเถระผู้มีปกติอยู่คนเดียววงเล็บเอกาวิหารีมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พระรูปนี้เป็นผู้ปรากฏในบริษัทสว่านั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเดินยืนผู้เดียวภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดา พระธรรคตเจ้าทรงประธานสาธุการดีแล้วดีแล้วดังนี้ทรงสั่งสอนว่าธรรมดาภิกษุเพิ่งเป็นผู้สงบสงัดแล้วตรัอานิสงส์ในวิเวกว่าเอกาสนังเอกาเสยยังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณน า, นามาแล้วแต่ต้นอันนี้ย่อจริงๆนะอันนี้เกี่ยวกับกรรมฐานของผู้ปฏิบัติโดยตรงโดยเฉพาะ ผู้เป็นนักบวชที่ได้เรียนกรรมฐานจากอุปชาอาจารย์แล้วเ่กรรมฐานก็มีส่วนสำคัญถ้าลืมกรรมฐานเน่จิตใจก็ขาดที่พึ่งเราอารมณ์โลกก็มาแทนแต่ถ้ามีกรรมฐานกรรมฐานก็จะป้องกันอาสวะทั้งหลายได้ท่านจึงให้อยู่กับกรรมฐานในทุกขิยาบทยืนเดินนั่งนอน ถ้าผู้ที่อยู่ในกรรมฐานในทุกิยาบทก็เท่ากับว่าเป็นผู้ที่มีเครื่องป้องกันจิตหรือป้องกันมารมารย่อมเข้าไปไม่ได้เป็นความจริงอย่างนั้นคนมีธรรมหรือมีกรรมฐานก็เป็นมีธ ร, มมมรรมคุ้มครองมีกรรมฐานคุ้มครองป้องกันเหมือนมีกำแพงน ถ้ากรรมฐานนี้ก็เรียกว่ากรรมฐานห้าก็เหมือนกำแพงห้าชั้นเนี่ยก็ย่อมอุ่นใจสบายใจแต่จึงควรมีกรรมฐานสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยในวรรคที่21ชื่อปกินกักวักวานนารวม9ก้าเรื่องก็จบนี่วรรคหนึ่งนะ